แต่การก็รูีไม่ใช่อนะย่างนั้นารับถ้ปืการที่เราถอดมนอนถ้าอย่างว่าเป็นตัวแต่ว่าเกพบรูปมันคือมีลาเพื่อหออกเป็นอย่างเดียวนะอ า, า, า, ารยนะ์ศิษาสรคนเดียวแล้วถึงที่ศิษยาต์ยก็ไมหได้ถืตัวเลยนะเขาเป็น่งอยู่รอบๆเองคนะ ร, รับแล้วเราตั้งตั้งเราไปความมั่ทเกิดขึ้นคนวะามดุร้าความเป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 มันไม่ทํางานนะอ่าเดี๋ยวค่อยไปเนะี่ยออกรำลังกายเดี๋ยวให้เขาใกล้กลเสร็ดก่อนใช่ไหมเดี๋ยวนั่นี่นิดนึงนิดนึ ง, นนงไปไปมันจะต่อรองตลอดเวลาถ้าเราเข้าไปเห็นเนี่ยใจของเรองนี่มันร้ายกาจครับเห็นไหมครับผมเบสครับทุกคนเป็นครับผมก็เป็นครับเป็นเนะี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องฝืนตัวเองภาคพอสมควรนะสรับเรื่องทํามาเนะี่ยเห็นไหมหลวงพ่อท่านพยายามทําเป็นตัวอย่างท่านนอนดึกลูกเช้า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 ตอนที่เราไม่คิดอะไรไม่ง่วงไม่เบื่อไม่เซ็งเนี่ยนี่คือความปกติของมันที่ตั้งอยู่นะครับแต่พอเราสร้างหยาบปั๊บเนี่ยยกเว้ขึ้นสองครั้งแค่นั้นฮาวขึ้นมาทันทีครับเป็นแมวบางทีทําไมต้องให้ผมมาท่าหยาบด้วยผมก็อยู่ของผมดีๆใช่ไหมเคยคิดอหมผมคิดบ่อยนะบางทีก็ผมไม่ง่วงผมไม่เบื่อไม่เซ็งเลยแต่พอผมมาสร้างหยาแค่นั้นแหละผมง่วงเลยนะทําไมผมอยู่เฉยเไม่ได้เหรอใช่ไหม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 ล้วเบื่อมาก็พยายามฝืนอาจจะยกเข้นมามาเริ่มหนักแค่นี้ก็ได้นะทำให้มันสนุกนะ บ, บางทีกูก็ไหลบิดไหลบ้างิดตัวบ้างเปลี่ยนท่าบ้างนะยกมือบิดบ้างบิดข้างอะไรบ้างอันนี้เป็นรู ป, ปแบบนะครับแต่ว่าเราต้องเอาความผ่อนคลายของเรา เ, เป็นหลักนะ เ, พเพื่อที่จะให้เราเทำได้นานๆต่อเนื่องไปเรื่อยๆไม่หยุด น, นั่นเองนะครับ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 ก็ใจของเรารู้ว่าอยู่ว่าเคลื่อนสติก็เกิดแล้วนะครับใช่ไหมแต่เราไปหากับมือเนี่ยไม่เจอหรอกนะครับครับเวลาคเนี่ยอกรอ่าอันนี้ทำไงดีนะคือลืมก็ไม่เป็นไรลืมแล้วก็เริ่มใหม่คิดใหม่ก็เริ่มก็ทำใหม่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 เริ่มต้นใหม่เริ่ต้นใหม่เรื่อยๆเรื่อยเต้นใหม่มันเผือมันคิดไปก็กลับมาแลเริ่มใหม่เริ่มใหม่ยิ่งคนทําบ่อยยิ่งเท่าไหร่ยิ่งสติก็จะยิ่งเข้มแข็งมากขึ้นเท่านั้นทุกคนมีเผื่อมีเพลนทุกคนครับแต่ว่าใครจะเริ่มต้นใหม่ต้นต้นใหม่ดีเสมอเป็นของสดของใหม่เสมอครับเนาะครับผมีอะไรอีกครับอ่าก็มาแล้ครับก็ขออนุโมทนา สาธุกับญาติโยมทุกท่านนะครับขอให้ญาติโยมทุกท่านเนี่ยมีแรงมีกำลังมีศรัทธามีความเพียรมีกำลังใจนี่ที่จะทำเกวรมลมสองสัปดาวั น, นี้ก็ขออนุมโมทนาให้ทุกท่านอย่ามีสิ่งที่มาลบกว น, นจิตใจดยคนดยการ ท, ทุกคนทุกท่านเทิ น, นครับถูกเช้ า, ชานี่เราจะเดินจุกลงออก